ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาเมตไรัรสีปทุมกำลังนำเสนอกะกุธสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำกราบทูลถามของกกุตภพรมซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือถาม สภาพความรู้สึกของพระพุทธเจ้าว่ายินดีบ้างไหมยินร้ายบ้างไหมเหงาเศร้าบ้างไหมอะไรต่ออไรเนี่ยพูะพุทธเจ้าก็ตอบปฏิเสธแสดงให้เห็นถึงสภาพของพระทัยที่ไม่มีความยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่มากระทบแม้แต่ความเศร้าโศกความเศร้าโศกมันเกิดขึ้นจาก จิตเราที่รู้สึกว่าเรามีการพลาดพาคสูญเสียจากสัตว์จากสิ่งหรือจากของที่เรารักใคร่ปรารถนาพอใจซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ที่จริงเขาเป็นกลางกลางคือถ้ากิเลสเป็นเอกกำหนดราคาของสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ภายในใจเรา สิ่งเหล่านั้นก็สักได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาของมันราวะความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นนิรันดร์แล้วก็ระมหาพรมก็ถามมาเรื่อยนะฮะถามมาถึงความ เ, าเศร้าโศกความเบื่อหน่ายแต่การอยู่ในที่คนเดียวสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอาการของอตัณหาอุปาทาน คือหมายความว่าใจเราต้องมีปัญหาแล้วก็ใจเราต้องมีความยืดอยู่ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าไม่มีตัญหาก็ไม่มีอุตะอุปาทานเป็นอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมลิ้นกายใจมันก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าผลพระแล้วก็สักแต่ว่าอารมณ์อาติน่าภายในเองมันก็สักแต่ว่าตาหูจมลิ้นกายใจ แล้วก็วิญญาณก็ศัพท์ว่าวิญญาณซึ่งอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ในยบนก่อนว่าความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ระดับหนึ่งเราก็สัมผัสกันได้มีอารมณ์เป็นเอ็นมากที่เราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายอะไรคือใจรู้สึกเฉยๆถ้าเราคิดเปอร์เซ็นจริงๆความรู้สึกเฉยๆนี่จะเยอะ เพราะถ้าหากว่าคนเรามีความยินดียินร้ายอย่างต่อเนื่องนี่คงเครียดแย่เลยวันใจเราที่เฉยเนี่ยมันจะมีอยู่มากทิ้งเบลับก็ตามปกติจิตมันก็ไม่หนักไปทางยินดียินร้ายมันก็ค่อนไปทางเฉยๆอาจจะฝันไปทางใคร่ทางปรารถนาทางปัจจัยบ้างแต่ว่าเมื่อโดยเฉลีย่ยเอาเวลา24ชั่วโมงมา บอกลบคูณหารดูเนี่ยเราก็จะพบว่าความรู้สึกเฉยๆนี่จะมีมากในแต่ข่าวคราวสมมติเราฟังข่าวทางวิทยุหรือดูข่าวทางโทรทัศน์โทรทัศน์มันทั้งได้เห็นทั้งได้ยินแต่วิทยุมันเฉพาะได้ยินบางครั้งก็สาวไปว่าฟังก็ผ่านไปแล้วก็พอผ่านก็ผ่านเลยคือไม่ได้จำไปเลยนั่นก็แสดงเห็นว่า เราไม่ใส่ใจไม่สนใจเราะเมื่อไม่ใส่ใจไม่สนใจหรือว่าใส่ใจโดยบายวิธีที่แยบคายเนี่ยมกิเลสมันก็นไม่เกิดแต่มีวิธีคิดเนี่ยกิเลสมันไม่เกิดถ้าใส่ใจโดยบายวิธีที่ไม่แยบคายกิเลสอาจจะเกิดแต่ว่าถ้าส่วนมากแล้วข่าวคราวเหล่านั้นมันไกลตัวหรือไกลตัวเรามันก็เกี่ยวข้อ ง, งอะไรกับเราเท่าไหร่ เพราะใความยินดียินไล่มันก็ไม่คยเกิดอะไรทีนี้พูดถึงความสุขหลักพระพุทธศาสนานั้นแสดงถึงความสุขไว้ในระดับต่างๆโดยเจ็นว่าความสุขโดยทั่วไปที่จริงเป็นเรื่องของความทุกข์ลดลงเพียงแต่ว่าต้องการนสื่อสารกันง่ายติดต่อกันง่ายก็บอกว่าสุข เช่นว่าความพร้อมเพรียงของหมูให้เกิดสุขจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้หรือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกเนี่ยก็หมายความว่าเราสัมผัสได้ในแต่ละระดับแต่ว่าการเบียดเบียนกันนั้นไม่ใช่ยุติว่าไม่เบียดเบียนเลย ในคราวใดที่มีการเบียดเบียนกันเราก็เดือดร้อนแต่เรารู้สึกว่าเราถูกเบียดเบียนในคราวใดที่ไม่มีการเบียดเบียนกันเราก็รู้สึกเป็นสุขหรือแม้แต่สามัคคียามใดที่สามัคคีกันเราก็รู้สึกเป็นสุขยามใดที่แตกแยกกันเรารู้สึกเป็นทุกขแต่ถ้าจิตเราไม่มีกิเลสเราจะมองคนที่ทะเลาะกันด้วยความสงสารแต่ว่าใจเองก็ไม่ได้ยินยินไร่ไร่ ถวสัตว์โลกทั้งหลายาก็เป็นไปตามกรรมเขาอยู่ในวิสัยอะไรที่พอจะชี้บอกแนะนำตักเตือนให้สติก็ทำเขาเชื่อก็คือเขาเชื่อเขาไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาไปดังนั้นเห็นว่ามันก็ทำนองคล้ายๆกับการบรรยายธรรมะเนี่ยในแง่ความจริงเราก็ไม่รู้ว่าใครฟังหรือไม่ฟัง แต่ก็มีความรู้สึกว่าก็มีคนฟังอยู่บ้างประาการตอบปัญหาในวันจันทร์แต่คนโทรมาถามปัญหานี้จะเรียกว่าจะตอบได้ทุกคาถามเนี่ยตอบทันทุกคำถามเนี่ยก็คงจะเยอะแต่ว่ายังไงมันก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะเวลามันจากัดก็แสดงว่ามีคนฟังอยู่เราก็มีหน้าที่แสดงชี้บอกอธิบายไป ก็ใส่ใจสนใจน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติต้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของเขาก็เป็นสุขแต่ถ้าเขาไม่นำไปประพฤติปฏิบตัติเขาก็เป็นไปทำกรรมเขาเพลี่ยนแต่ว่าภารกิจที่เราควรทำนั้นได้ทำแล้วทอนนั้นเองโดยเจตจานงด้วยความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาด้วยความตั้งใจเนี่ย ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมเองก็ต้องการจะเห็นญาติโยมมีหลักธรรมเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวใจให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความคิดให้ทั้งหลักในการประพฤติปฏิบัติเป็นกุศลเจตนาเสียสละทุ่มเทก่อนมีโยมอายุก็เจ็ดสิบป่าทั้งคู่ได้มา บริจาคปัจจัยเพื่อเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่พอดีเป็นวันอาทิตย์ที่20สิสิงหาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่มีก็ให้เด็กรับไว้ให้จดสถานที่ต่งตางๆไว้เพื่อจะส่งอนุโมทนาบัตรต่อไปถ้าก็เล่าถึงการติดตามความรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้มานาน แล้วก็เวลานี้ก็ยังฟังอยู่แล้วแสดงความชื่นชมต่อมาที่ไรศรีปทุมที่มีความศ ส, สละคือจนถึงก็ขอซีดีขอดีวีดีอะไรแต่ไรต่างๆก็ได้นังสือทั้งหาก็ได้เป็นต้นมันก็แสดงว่าทั้งหมดเป็นกุศลและเจตนาคน แต่ก็แจกได้แค่ซีดแีแจกได้แค่หนังสือแต่เขาจะมาฟังหรือไม่เขาจะมาอ่านหรือไม่อ่านแล้วเขามีความคิดอย่างไงเขานำไปประพฤติปฏิภาิอย่างไงก็นอกวิสัยล่ะก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับเ ข, เขียนอะไรได้พ้นความสุขเหล่านี้ท่านถือว่าเป็นการพูดระดับสมมติบัญญัติมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงหรอก เปี่ยนแต่ว่าความทุกข์มันลดเราก็เรียกว่าสุขคล้ายๆกับความร้อนมันลดเราความความร้อนมันลดเราก็เรียกว่าความเย็นแต่ความเย็นจริงๆมันไม่มีหรอกมันก็มีที่ความร้อนลดพตอะวความสุขที่ไม่แปรผันเนี่ยมันจึงได้เฉพาะนิพพานสุขแต่นั้นสุขอย่างอื่นมันก็มีการแปรผันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัติก็ทำยังไงว่าเราให้สัมผัสความสุขได้ บ่อยๆแล้วก็ยาวขึ้นเวลาต่อเนื่องขึ้นเป็นสุขในระดับสุขเวทนาเรียกว่าสบายกายสบายใจหรืออย่างไม่มีอะไรก็อุบเบกขาคือวางเฉยในรมลานั้นเสียได้เพราะฉะนั้นพอความทุกบรรเทาเราก็พูดว่าเป็นความสุขทีนี้มาตวัดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันหรอก เช่นสมมติว่าการรับประทานอาหารคนบางคนหิวโหวยมากกินอะไรก็ไม่รู้พออิ่มแค่ก็มีความสุขละแต่คนบางคนมันมีอาหารให้เลือกเยอะมันก็เลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองพอใจแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความสุขดังนั้น่ความเพลิดเพลินมันก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เรารู้สึกรู้สึกว่าเป็นสุขเนี่ย ถ้าผู้เสวยรู้สึกว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความความทุกข์ความสุขจึงถืออยู่อยู่ที่จิตคือจิตมันยึดถือถือว่าเป็นสุขก็เป็นสุขถือว่าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ท่นี้สรุปแล้วว่ามันก็เกิดมาจากปัญหาคือจิตดิ้นรนทะเยอทยานอยากพออยากตามที่เราพอได้ตามที่เราอยากเราก็รู้สึกว่าเป็นสุข เราไม่ได้ตามที่เราอยากเราก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่ความอย่าสังเกตเรามันมันไปปผูกโยงกับขันห้าขันห้าที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเพราะความสุขความทุกข์เนี่ยการทุกข์ลดเด็ดเดี่ยวมันเกิดอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่าเกิดที่ไหนเกิดแก่ใครเกิดอย่างไรแล้วใครมีท่าทีมีความรู้สึกต่อสุขทุกข์เหล่านั้นน่ะอย่างไง พอลักษณะอารมณ์เดียวกันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเป็นส <iqu> <é touching> <notes> <flavor> ุขคนหนึ่งอาจจะรู้สึกเฉยๆคนหนึ่งอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์แม้ในความสุขความทุกข์หรือเฉยๆมันก็มีความยิ่งหย่อนแตกต่างกันก็แสดงว่าจริงๆมันก็มาจากจิตเราการปรุงคิดการผิดปรุงของเราเป็นตัวการสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแล้วก็คือทุกขเวทนาทั้งหลายนี่จึงสืบเนื่องมาจากตัณหาพวกแง่ว่าสืบเนื่องมาจากกิเลส เมื่อควายใดเอ่อควายหนึ่งหายไปอีกฝวายหนึ่งก็จะไม่เกิดขึ้นเพรนาะฉะนั้นพอสิ้นตัณหาเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนมันไม่มีทนความรู้สึกว่าเราเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ไม่มีทีนี้ท่านในอัตกถาธรรมบทเนี่ยมีประเด็นที่น่าศึกษาแต่ท่านเล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่ง มีพี่ชายมีน้องชายมีน้องสาวมีแม่คือสี่คนด้วยกันคนเหล่านี้ก็ออกบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเมื่อก่อนในพี่กับน้องออกบวชพี่ก็มีชื่อว่าโสทนะน้องก็ชื่อว่ากัปิระได้ออกบวชพี่ชายเองตั้งใจศึกษาในวิปัสสนากรรมฐาน บำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสนาไม่นานก็บรรลุอรหัตเป็นพระหันขวายกับอีละน้องชายก็ใส่ใจสนใจในการศึกษาปริยัติิสัจธรรมอย่างแตกฉานเหมือนกันมีความชํำนิชํานาญแตกฉานในรพระไตรปิฎกป้อนวัฏ ว, วหารนี่ของท่านกับอีละมันก็เก่งกว่าพออ่อ แ, แม่กับน้องสาวก็เกิดพอใจในในลูกชายคนเล็ก เลยก็คล้อยตามศึกษาปฏิบัติตามน้องชายคนเด็กแม่ก็ชื่อสาธนีน้องสาวก็ชื่อวตาปาัญาก็ออกบวชในสำนักของท่านกัปิละทีนี้การเรียนรู้เนี่ยมันพระเจ้าทรงสแสดงปริยัติคือการเรียนรู้ไว้เป็นสามประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าอลคัตถูปะมะปริยัติ คือการศึกษาอุปมาเหมือนกับอสรพิษคือนำมาแสดงวาทะโวาหารโออวดถกเฉียงแข่งดีตีความอะไรต่รตงตางๆบรรณกรได้อ่านบทความหนังสึอพิมพ์ก็พูดถึงการตีความพระเจาบิดกคือยังนึกว่าพระเาบิดดกเนี่ยไม่น่าจะตี เพราะว่าพระอัตถ า, าจาร์เนี่ยคือจริงๆในช่วงของการสังคายนาถ้าเราสังเกตในเนื้อหาพระัยบิดดกเนี่ยพระหานทั้งหลายเหล่านั้นท่านอธิบายไปแล้วเป็นอัตถาคล้ายๆอัถะรุ่นแรกแต่ของพระสังคีติกจาร์น่ะคือทำการสังคญญายนามันมีประเด็นที่ท่านจะต้องนิยามจะต้องอธิบายจะต้องทาความเข้าใจไว้เพราะามันอยู่ในพระใจบิดดกลย แลในยิ่งไหนวินัยไหนพิธ ร, รมนี่จะเยอะมากเพราะว่ามีนัยยะที่จะต้องทําความเข้าใจด้วยกันทั้งนั้นและในการต่อมาพระตกระถาจา ร, รุ่นต่างๆตกระถาจารีกาจา น, านุดีกาก็ว่ากันมาเรื่อยนะฮะโดยหลักการแล้วเราใช้การเทียบเคียงเราไม่ใช่การดีความแต่เทียบเคียงกับ พระสูตรหรือพระวินยัยก็แล้วแ ต, แต่ส่วนแรงที่มาของความคิดเห็นนั่นจะมาจากไหนก็ไม่รู้แหละก็แล้วแ ต, แต่เราก็มาเทียบเคียงกับพระวินยัยเขาเรียกมหาประเทศควายพระวินยัยหรือควายพระสูตรทีนี้การเทียบเคียงเหล่าเนี้ยถ้าลงการสมกันกับหลักในพระสูตรหรือในพระวินยัยก็ถือว่าถูกต้องทีนี้บางทีเราอาจจะเทียบทีดย่างคิดง่าย คิดง่ายๆว่ า, าธรรมะข้อใดก็ตามที่ปฏิบัติไปแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดกิเลสที่เกิดแล้วจะเสื่อมไป <im it> ธรรมะที่ยังไม่เกิดจะเกิดธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มพูนขึ้นก็ <im it> ถือว่าถูกต้องก็ <im it> <im it> คิดแบบ ง, ง่ายๆไม่ต้องไปคิดมากไปไปศึกษาไปเทียบเคียงไปค้นคว้ามาก เพราะบางทีมันก็เสียเวลาในการถูกเจียงกันยังบางเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมีการตีความมีการพูดถึงว่าตั้งแต่สมัยพระจอมเกล้าเจะอยู่หัวเป็นต้นมานั้นการศึกษาโลกุตรธรรมได้หายไปจนถึงกับกล่าวหาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าธรรมนิพพานตกหลน่นแล้วก็ตลกกันนะ เพราะว่าจริงๆในพระพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาที่ตัวโลกุตรธร ร, รมเราศึกษาที่ตัวโล ก, กีธรรมศึกษาที่ตัวอริยมรรคนะครเพราะการศึกษาเราก็ใช้แค่สินสมะที่ปัญญาโลกุตรธรรมมันเป็นผลคือไม่รู้ต้องศึกษาอะไรกับมันนะมายความแค่แค่ก็อิ่มก็คืออิ่มนะ่ะคุณก็ปรุงอาหารคุณก็รับประทานอาหารคุณก็กินถึงอิ่มคุณก็อิ่ม อิ่มนี้ไม่ต้องมาทำอะไรกับมันมันเป็นเรื่องอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความอิ่มขึ้นเพราะโลกุตตรธรรมทั้งหลายจึงเป็นผลรวมมาจากความสมบูรณ์ของอริยมรรคในแต่ระดับอย่างศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมันก็เกิดโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลขึ้น พอศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณมันก็เกิดอนาคามีมากอนาคามีผลพอสมบูรณ์หมดมันก็กลายเป็นอรหรันตมรรคอรหรันตผลเพพวนั้นจึงไม่ต้องศึกษาอะไรมันเป็นผลเป็นสัตติกาตะไปทำเป็นธรรมะที่ต้องทําให้แจ่มแจ้งแต่นคนบางคนในศึกษามันเกิดอาหังการแล้วต้องการจะ แสดงเป็นนักสิทธิมธนุษยชนเป็นนักวิชาการยุคใหม่เป็นเสรีภาพทางวิชาการอะไรต่างๆซึ่งปลูกมาวิทยาลัยทั้งหลายมากยักจะชอบอ้างเนี่ยแล้วก็ดีขว่าและทีนี้พอมีคนเกาะกลุ่มเชื่อมันก็พยองลำพองอันนี้คืออันตรายมากแต่มาเคยเตือนในสานักบางสานัก เราบอกว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณมีวิธีพูดอย่างนี้คุณอ้างอิงอย่างนี้โดยไม่พูดถึงพระพุทธเจ้าเลยนะคุณพูดหนึ่งชั่วโมงคุณไม่พูดถึงพระพุทธเจ้าสักคำหนึ่งอะ่ะแล้วคุณอ้างแต่อาจารย์คุณเนี่ยรุ่นคุณอาจจะยังเป็นเทราวาตอยู่แต่ว่ารุ่นหลานศิษย์เนี่ยมันอาจจะเป็นนิกายของชื่ออาจารย์คุณ เลือโษณาจะแตกเป็นเบ้ยหัวแตกเละหมดเลยเรืยนี้การตีความคือคนซึ่งมีลักษณะก้าวร้าวอธิบายอะไรไปตามอำเภอใจชายสำนวนโบหารเคยโจมตีว่าพระเจ้บิดกในประเทศไทยผิดทั้งนั้นที่ถูกต้องนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษของปาลีเทคมันก็เกิดเหตุเกินผลเนะครับ ก็เล่าเจนว่าพระไตรปิฎกในประเทศไทยเนี่ยเมื่อฉัตรสังขยาป24ี2497นะฮะ97ตอนปลาย98 99ก็มีการสังคายาสอบทานกันที่ประเทศพามา่าแล้วก็ลงกันทางนั้นเนี่ยคือมันต่างกันที่อักษรพระไตรปิฎกเนี่ยจะต่างกันที่อักษรจจะตรงกันที่เสียง เมื่อความตะออ่านพระจตรปิฎกแล้วเนี่ยมันก็จะตรงกันที่เสียงแล้วก็เนื้อหาสาระเพราะงั้นท่านกัปปิระนี่ก็มีลักษณะอย่างนั้นพ อ, อ, อท่านแตกฉานมีความรอบรู้ในวิชาการทางปรปริยัติสัทธธรรมเนี่ยเราจะลืมนะฮะว่าปริยัติสัทธธรรมเนี่ย ถ้าเราตั้งหลักหยุดคิดให้จิตมันนิ่งจิตมันสงบเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมแนวเดียวกับอรรยมรรมคือปริยัติแต่ละข้อเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงถึงพรหมวิหารสมมุติว่าเมตตาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทมีขัสึกตรงนังข้ามเนี่ยคือพยาบาทกิเลสประเภทโทสะมีขัสใ ก, กล้ก็คือ กิเลสประเพทราคาเพราะฉะนนถ้าเราจะเริญเมตตาเราต้องเห็นว่าพยาบาทต้องลดแล้วก็ราคะต้องลอดด้วยทีนี้พอบรรลุผลสูงสุดเนี่ราคะมันดับพยาบาทมันดับยังเหลื อ, อยังเหลือแต่เมตตาก็หมายความว่าตัวปริยัติตั ว, ต, วตัวปฏิเวทที่พระกอพระขอท่านสัมผัสเนี่ยมันต้องตรงกับปริยัติที่บอกไว้ถ้าไม่ตรงก็ผิด เพราะปริยัตยที่จริงไม่ใช่ปริยัตยิแต่เป็นปฏิเวทจากพระไตรของพระพุทธเจ้าต้องจับตรงนั้นให้ได้ก่อนแต่แม่งจะแขวงหมดเลยทีนี้พอพระเจ้าสแสดงเนี่ยสมัยพระเจ้าส่งรวมๆรวริชอยู่เวลาพระพุทเจ้าสแสดงเนี่ยมันก็เป็นปริปริยัตยิสาหรับพระที่ฟังอ่ะเนทรงแสดงอนัตตลกนันสูรแก่ท่านปัญญาคีท่านปัญญาวขีขณะฟังนี่มันเป็นปริยัติ แต่พราท่านบรรลุเนี่ยมันเป็นปฏิเวทแล้วก็เหมือนกับที่พระเจ้าได้บรรลุเพียงแต่อธิบายต่างกันพระเจ้าทรงอธิบายเพราะพระเจ้าศัสรู้พระเจ้าทรงอธิบายว่าก้อแรงยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าการหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปเวลาเกิดแก่ท่านปัญญาขีเนี่ย มันก็เกิดไปตามลำหนะเกิดเบือนนายในขันทั้งห้าเบือนนายแล้วก็คลายกำหนัดพอคลายกำหนัดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็คลายไปเรื่อยๆนะจิตมันก็พ้นจากอำนาจของจิตเลยเพอจิตพ้นยา น, นก็ผุดขึ้นภายในจิตรู้ว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วแล้วจากนั้นจะรู้ตรงกับที่พระพุทธเจ้ารู้รู้ว่าชาติสิ้นแล้วการเกิดของตัวเองนีสิ้นแล้ว กิจที่ควรทาเกี่ยวกับการละกิเลสการเจริญความดีนี่จบแล้วและกิจอื่นในลนักษณะเดียวกันนี่ไม่มีหมายความว่ากิจที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยมันจบละแต่ก็มีภารากิจในการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าไปยุติโดยโดย้วยศีลข้อที่หนึ่งข้อสุดท้ายเลยก็สุดท้ายที่เรียกว่าโลกาณกรรมปะกะคืออนุเคราะห์โลก มีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพราะจริงไม่ใช่ว่าสามัญชนจะมานั่งตีความกันสนุกไม่ได้หรอกบาปจะไปยุ่งท่านเลยเราสนองงานพระพุทธเจ้าเสียเราทำตัวเป็นราชทูตอ่านราชสารเถอะการศึกษาแนวอารักขาู ป, ประมาประยัติมันก็คือแนวพระกปิละเนี่ยเป็นตัวอย่าง ในสุดท่านก็เหมิมเกลือมบริวารมากขึ้นมีคนก็รบนับถือมากขึ้นลาบสักการะเพิ่มขึ้นมีคนห้อมล้อมสูงขึ้นเชียมากขึ้นทีนี้ไม่ผิดหรอหลงตัวจนจนพูดเองเออเองหลอกตัวเองจนเชื่อว่าตัวเองรู้จริงแล้วบางทีก็เชียร์กันเชียร์กันท่านกัปติละเองในตอนนั้นเองเนี่ยลูกศิษย์ก็เชียร์จนเป็นพระอาหารหันต์ล้ แล้วพระพวกนี้มีมีบ่อยนะในยุคหลังเนี่ยท่านอสังขะกัมวสุพันธุก็ถูกเชียร์แบบพระอระหรันทรา น, นาคารชุนท่านอัศวโคตรพวกนี้ก็ถูกเชียร์แนวพระอระหันทรู้สิทเชียร์จนจนจนเพลินอ่ะท่านก็เพลินของท่านไปแล้วก็หลอกตัวเองคือคือรู้สิทเชียร์จนนึกว่าจริงอ่ะอันนี้คืออันตรายไหม เพราะนักกัปปิลเนี่ยพออะไรมากขึ้นลาภตกกาะกร้ามาขึ้นก็เกิดสําคัญตนว่าตัวเองนี่เป็นรักปรลาดทีนี้ชักมันแล้วชักมันแล้วบิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้าอธิบายเองเออเองเลยตีความเองอธิบายเองเสร็จเลยพระเทระทั้งหลายพยายามให้สติพยายามตักเตือนห้ามปราม กลับไปคุกคามกลับไปดูมินพวกคุณจะรู้อะไรเป็นพวกกำมือเปล่าวจีทุจดิตะมโนเป็นทุจดิตะนะไวจีก็ทุจดิต ะ, นะตะเพราะงั้นการกระทำของท่านก็คารกกขพงไปจนพระโสธนะซึ่งเป็นพี่ชายที่เป็นพระหานี่มาตักเตือนท่านก็ไม่ยอมแล้วพระโสธนะท่านก็ให้สติดีนะฮะคล้ายๆกับพี่พระโสพระศ า, าริบุตรให้สติแก่ เทวทั์พระโสดนะิรักก็บอกว่ากับิละการปฏิบัติชอบของคนเช่นเธอนั้นชื่อว่าเป็นอายุของพระพุทธศาสนาหมายความพระเราที่แตกฉานในพระปริยัติศาสธรรมแล้วปฏิบัติอยู่ในสีในธรรมด้วยเนี่ยแล้วให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าประทรมประสงค์ใจสิกขาเต็มตามกำลับบงความสามารถไปก่อนเถอ แต่ว่าให้หนักแน่นในเรื่องเหล่านี้ทั้งหกอย่างเนี่ย ใ, ในสิกขาในความไม่ประมาทในธรรมาชิในปฏิสันฐานก็มีความครบหนักแน่นเพราะว่ามันจะเป็นการชี้บอกทางที่ถูกต้องแก่คนทั้งหลายเราอาจจะไม่บรรลุมรคลเป็นราอง์หรอก แต่ว่าธรรมะนั้นถ้าเรารักษาพระบาลีพุทธวจนะไว้ให้ตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์ต่อพระบาลีพุทธวจนะแล้วก็ทําตัวเป็นทูตอันราชสารอย่างที่บอกเนี่ยคือภาษาเนี่ยมันหลากหลายได้แต่เนื้อหาต้องคงไว้นะครับเพราะภาษานี่เราต้องเปลี่ยนคนะคนมันเปลี่ยนแต่เนื้อหาี่ต้องนึกออกว่าตัวเนี้ยมันตรงกับองค์ธรรมข้อใดข้ไใดเนี่ พระโสทนะก็บอกว่าเพระเาะฉะนั้นเธออย่าละการรีบัิชอบจงอย่าห้ามสิ่งที่ควรจงอย่ากล่าวอย่างนี้เป็นต้นแต่พระมหาพระกบิล่าท่านเตลิดไปแล้วนะฮะเตลิดไปแล้วก็ไม่เชื่อใครละเพราะท่านไม่รู้ว่าพระโสทนะพี่ชายเนี่ยเป็นพระหันแต่ท่านก็มองเป็นพระ บ้นนอกองึงเพราะว่าท่านเข้าป่าบ่มเพนเพียรแล้วในที่สุดก็จบสิ้นกันเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องออวิธีของพระหรันท่านก็บอกว่ากบิละถ้าเธอไม่เชื่อถ้อยคําของเราเธอจะปรากฏด้วยการกระทําของเธอเองก็พูดไม่รู้เรื่องมันก็ต้องอุเบกขาเห็นไหมพูดไม่รู้เรื่องอุเบกขา นอกวิสัยที่เราจะทำอะไรได้ไม่มีอย่างอื่นดีไปกว่าเอาเบคขาแล้วต่อมาท่านทั้งทั้งหมดเนี่ยเลิดแล้วหมายความว่าพระกาปีละก็ดีนางสาธนีก็ดีนางตาปณีก็ดีพวกนี้เป็นภิกษุณีนะมีความเห็นเหมือนกันจนถูกตัดขาดจากสูงสูงไม่เล่นด้วยแล้วอ้นี้ ป, นปัญหาในสังคมไทยเรา ก็น่าเป็นห่วงว่าเราเรียกร้องสิทธิมนุษยชนกันเยอะมากมากแล้วในโอกาสต่อไปเนี่ยภายใน20ปีเนียนะจะเกิดวิกฤตทางาศาสนาจากการขัดแย้งทางาศาสนาอย่างแรงเพราะจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยันจะใช้สิทธิมนุษยชนใช้กฎบัตรสาชาติใช้เสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความคิดความเห็นกำกับผู้กลุ่มอะไรกันไม่ได้แล้ว พม่าเนี่ยใครจะเขียนเรื่องอะไรขึ้นมาต้องเข้าไปสู่สภาใหญ่เลยต้องผ่านการสวจสอบของเถรสภาสูงนั้นก่อนประเทศไทยไม่ได้คิดตื่นตัวในเรื่องเหล่นี้ตอในใครจะพูดอะไรเขียนอะไรก็ออกมาตามสบายเลยก็เป็นสิทธิเสรีภาพแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสนเด็จประสังราชเจ้าที่วัตรหเนี่ยท่านเคยรับสั่งว่า มันก็แปลกเมือนการนะ้าสังคมเนี่ยพระเราจะเพี้ยนเพียนยังไงมันก็มีคนนับถืออยู่ได้อยู่จนได้แหละคือทำเพี้ยนเพียอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีคนนับถือซึ่งก็พูดยากแล้วยิ่งเป็นพระเองเราจะไปพูดเขายากมันคล้ายๆกับไปริษยากันระยะเดียมก็ด่าเราอีกแล้วก็เป็นบาปกระยมเปล่าๆก็ไม่เป็นนั้นมากที่ต้องวางใจต้องทาใจ ก็อย่างพระอาหารหันทรยังต้องทำใจเลยก็นี่เป็นเหตุการณ์ในศาสนาพระกัสสปะสมาสมุทธเจานะ้าน่ะเรียกว่าพุทธันดอนหนึ่งอะต่อมาคนเหล่านี้ก็ตกนรกชื่อเอเวจีมานรกหมดอยู่ในรกสิ้นพุทธันดอนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็ไปเกิดเป็นปลาทองในแม่น้ำ เขาบอกว่าอจิราวดีนะครก็ยังนึกว่าอจิราวดีมันใหญ่โตขนาดไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ที่เมืองสาวัตชียังไม่เคยเคยดูแม่น้ำนี้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนลึกขนาดไหนแต่ปรากฏว่าร่างกายเป็นทองเพราะว่ากล่าวสั่งสอนพระพุทธพุทแต่ปากเหม่น เพราะติเตียนพระสงฆ์กล่าวหาพระสงฆ์ใส่ร้ายพระสงฆ์โกงกระดมปลาเหล่านี้ไปสู่ประเชตะวันผู้เจ้าสรงบัดานในปลาในี่พูดได้แล้วก็ให้เล่าการกระทำของตนในอดีตพร้อมกับให้บอกคติของแม่พี่น้องของตนให้คนทั้งหลายทราบราลึกษตได้นะ ก็เป็นพุทธานุภาพก็ได้เป็นพุทธานุภาพเพราะว่าแนวตัวเนี้ยเราจะพบว่าบางคนไม่น่าจะลึกชาตได้ตัวเองแต่ว่าพระเารับสั่งให้เรา่าจะแสดงว่าเกิดขึ้นโดยพุทธานุภาพเขาเล่ า, ลาได้เขาระลึกได้อกําหนดให้ระลึกคล้ายๆกับแนวสะกดจิตอะไรเนี่ยนะก็คงจะแนวยังไงก็ไม่รู้สรุปมันเกิดพุทธานุภาพอะไรแล้วก็ท่านก็บอกนะว่าน้องสาวกับ แม่เนี่ยยังอยู่ที่อาวิชีมานารกพี่ชายเนี่ยก็บรรลุมรรคผลเป็นพรานไปนี่ผ่านไปแล้วแล้วก็รัชสังถามว่าจะไปไหนเนี่ยบอกว่าจะกลับไปสู่นรกต่อแล้วก็ศีรษะฟาดแขมเรือนะฮะคือก็บรรทุกเรือใส่น้ามากว่าจะแขมเรือก็ตายกลับไปสู่นรกพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากปัญหาความมากมากอยากใหญ่ อยากได้อยากมีอยากเป็นมีบริษัทท้อมล้อมบางครั้งบางคราวก็โฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉับ ช, ว น, ช, ว, นชวนกันมีเขียนเล่าประวัติของอาจารย์ในหนังสือบางฉบับที่เราอ่านนึกว่าท่านเหล่านี้ไม่ค่อยกลัวบาปอะไรกันตัวะไรปลูกันเพลินเลยนะฮะ แล้วมันมันมันคล้ายๆกับอบปุ่นในจินตนาการตัวเองนี่เข้ามาปนกับเรื่องจริงวันทีนี้มิตรปรากฏในกรรมฐานเนี่ยมันนีมิตคือนิ้มิตรเอามาพูดไม่ได้แล้วมันก็ทําให้ลูกศิษย์ไปหลงเข้าใจผิดว่าอาจารย์บรรลุมรรคผลเป็นพระบุคคลเป็นพระหันชั้นน้ำชั้นนี้อ ะ, อะไรต่ออะไรเนี่ยพระยาทรงแสดงโทษของตัณหาคือตัณหาย่าลืมว่าเป็นตัวแทนของกิเลสทั้งหมดนะฮะแต่วันนี้เน้นที่ตัณหา รับสั่งว่าตัณหาย่อมเจริญแกผู้ประมาทคนยิ่งประมาทเท่าไหร่เดี๋ยวมันขาดสติเท่านั้นปันใจาังก็ถูกไหลไปตามกระแสะอารมณ์ที่กำหนัดบ้างกัดเคืองบ้างรุมหลงบ้าง ม, มัวเมาบ้างริษยาบ้างแข็งดีบ้างอะไรอะไรก็ไปกันอุนตรลดไปหมดเลยรับสั่งว่าเหมือนเถายันทรายเจริญขึ้นที่ต้นไม้เช่นั้นแต่เถายันทรายเป็นยังไงไม่รู้แต่สรุปว่าพวกพันุไม้เลื้อยทั้งหลายเนี่ย เวลาจะเริ่เติบโตขึ้นแล้วก็รอบต้นไม้เนี่ยจะทำให้ต้นไม้ตายนะถึงจุดหนึ่งมันจะตายผู้มีตัณหานีนั้นย่อมเลื่อนลอยไปสู่พพน้อยเพใหญ่ตัณหาชะเนติปุริสังตัณหายังชนให้เกิดผลใดยังมีตัณหาเนี่ยเรียกตัณหาสิเนหังตัณหามันเป็นยางเหนียวที่มีอยู่ภายในมเมล็ดพืชเหมือนกับยางเหนียวที่มีอยู่ภายในมเมล็ดพืช นอนยังไม่ถูกทำลายมัดยังเหี้ยวยังมีอยู่ภายใ น, มนเมล็ดพืชแล้วก็ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อไหรแกก็งอกมา น, นั้นแหละเหมือนกับอะไรเหมือนกับวานนอนที่ต้องการผลไม้ก็ไปเรื่อยนะฮะไปไปในป่าจับตรงนี้ยึดตรงนั้นปล่อยตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นของเราตรงเนี้ยบางทีนี่ท่านอุ ป, ปมาเหมือนนกชนิดหนึ่งเรียกว่าจกนกไมหักกะ ไม้กาถ้าแปลสมบนรณหลวงพ่อพุทธทาสก็คือของกูนะอาจจะแปลของเราก็ได้นิ่มๆหน่อยนะฮะของเราของเราคือจับอะไรของเราของเราของเราของเราไปเรื่อยๆแล้วเธอก็ปล่อยเรื่อยๆจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วโหนไปที่ต้นไม้เรื่อยๆแต่ก็รู้สึกว่าของเราเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ไม่มีอะไรเป็นของเขาคือเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่ง เ, เหมือนกับวันนอนที่กระโดดไปตามต้นไม้เนี่ยตัณหาตัณหาก็เรียกตัณหาวิจวริตคือตัณหาที่เล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ย เ, เราจะเห็นว่าตัณหาไม่จะเกิดได้จากอายตนะภายในจากอายตนะภายนอกหกภายในหกวิญญาณหกสัมผัสหกเวทนาหกสัญญาหกสัญเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารหคือตัณหาซ้อนในตัณหาก็ได้ นะมันเกิดซ้อนกันมา ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นในในในหาสติปัฏฐานาสูตรพระเจ้าทรงสแสดงว่าสมุทัยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทุกจุดเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่รูปตั้งอยู่ที่เสียงตังอยู่ที่กลิ่นตั้งอยู่ที่รสตั้งอยู่ที่วิญญาณตั้งอยู่ที่อะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆมันพรวดเดียวนะฮะเราก็แต่ขนาดจิตในที่จริงมันคนละขณะแต่ถ้าเราเห็นแล้วก็พรวดเดียวไปเลยมิตกล ะ, ต ก, ละตกวิจารณ์นะ ท่าบอกว่าตัญหาที่ชั่วรายเนี่ยแพ่ไปในโลกนี้ครอบงำผู้ใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนกับย้าคาที่ถูกฝนตกรถแล้วมีหน่องงอขึ้นฉะนั้นย่าคาที่ฝนตกรถมันก็โตเร็วนะฮะพวดปากิพุทปาเ ก, ก, กิมาผนจิตใจของคนเราก็เหมือนกันคือถ้ามีการตอบสนองเนี่ย อะไรก็ตามที่มีการตอบสนองอยากได้อยากเห็นอยากกินอยากเที่ยวอยากชมอะไรอะไรก็ตอบสนองแล้วมันก็สายจิตมันก็แล่นไปเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความอยากที่บังเกิดขึ้นไปในใจของเกไดดังนั้นรับสั่งว่าผู้ใดครอบงำตระหชั่วร้ายอันข้ามได้ยากในโลกทุกโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้น เหมือนหยบน้ําตกไปจากใบบัวเช่นั้นเพราะใบบัวในจะเอาอุปมาสภาพจิตของพระหันบ่อยเพราะมันเห็นได้ง่ายนะฮะเราจะเห็นว่าสภาพจิตพระหันอารมณ์กระทบเหมือนกับเรานี่แหละแต่มันไม่ซึมเข้าไปเหมือนกับน้ําที่ตกลงใบบัวมันก็กลิ้งกลับกระโดงไปก็กลิ้งกลับหรือแม้แต่ดอกบัวไอเราสังเกตว่าดอกบัวมันเกิดจากโคลนตม แต่แกยกตัวเองขึ้นพ้นโคลนตมพ้นน้ําน้ําเปื้อนแก่ไม่ได้แล้วโคลนตมก็จะเปื้อนแก่ไม่ได้เพราะมนุษย์เราที่จริงแล้เกิดมาจากเนี่ยเกิดมาจากตัญหามานาทิฐิเนี่ยแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็ลดแต่ความเข้มข้นของตัญหามานาทิฐิลงไปจิตใจก็จะกลางจางคลายไปโดยลําดับเพราะงั้นจึงรับสั่งว่า เราจึงบอกแก่เธอทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายกัท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมแล้วในที่นี้จงขุดรากปัญหาเสียเหมือนผู้ต้องการหญ้าแฝกขุดเสียซึ่งหญ้าคาฉะนั้นคือเราเห็นว่าหญ้าแฝกก็ยากขาถ้าปลูกปนกันเนี่ยหญ้าขามันก็ยึดครองพืง้นที่มันก็รุกเร็วแล้วก็หญ้าแฝกอาจจะตายเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะปลูกแฝก มันก็ต้องถอนอยาขาชิงเสียเพราะว่ามันกลายเป็นวัชพืชที่เป็นอันตรายต่อต่อยาแฝกซึ่งเราต้องการรากมันให้ยึดเหนียวดินอย่างโครงการในพระเจริญริ่ต่างๆนี่เราจะเห็นว่าพบมีการปลูกยากแฝกเอาไว้เป็นนันมากและขุดเสียซึ่งยาคาฉะนั้นอย่าให้มารุกรานท่านทั้งหลายบ่อยๆเหมือนกระแสน้ําอันพัดไม้อ้อซึ่งเกิดอยู่ริมกระแสน้ำํำฉะนั้น ให้เราสังเกตว่าตัวอย่างของของของสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราเนี่ยคือพระพุทธศาสนามีข้อที่น่าสังเกตว่าธรรมะทั้งหลายนี่จะอุปมารอบรอบตัวเนี่ยอุปมาพูดง่ายว่าดินน้ำลงไฟดินน้าลงไฟธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายเนี่ย แล้วก็ดินน้ําลงไฟเนี่ยจะใช้เยอะมากดินน้าลงไฟอุปอมาเป็นดินน้ําลงไฟเนี่ยใช้ทุกระดับนะจนเป็นอารมณ์กรรมาฐานฮนะเป็นเป็นธาตุกรรมฐานเป็นธาตุกรรมาฐานแล้วในขณะเดียวกันมันก็ใช้เป็นพื้นฐานของการกระทบอารมณ์เป็นเรื่องน่าสังเกตว่าเราเนี่ยชีวิตเราร่างกายเราเนี่ยเป็นส่วนประกอบของดินน้าลงไฟอากาศ ดิน้ำเราคอยอากาศแกไม่ยินดียินได้แต่คนเราเกิดยินดียินได้เพราะอะไรเพราะคนเรามีจิตที่เกิดมาจากตัณหาตัณหานุสัยเกิดมาจากกิเลสนะพวกไงเราจะเกิดกิเลสเรามีเชื้อหน้าวันในใจเรามีเชื้อหน้าวัน เ, เวลากระทบอารมณ์มันก็ก่อให้เกิด ราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดริษยาเกิดแข็งเดืยดอะไรต่างๆก็เกิดไปได้เลยประเด็นต่อไปเนี่ยพูดถึงความเศร้าโศกกัคคุตพรมกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงความเศร้าโศกพระเจ้าไม่มีความสศร้าโคือกิเลสเป็นเอกให้เศร้าโศกไม่มีถ้วาวันเราสังเกตนะว่าพระโสดาบันเนี่ย ทันละสักกายทิทิความเห็นเป็นเด็ชถือตัวถือตนวิจิกิจชาความเครือบแคลงสงสัยในพระตนตรัยแล้วก็ศีลปตป ร, รมะมาการถือมั่นด้วยศีลวัดละข้อปฏิบัติที่ไปเข้าใจว่าขังศักดิ์สิทธิ์มีอย่าน้าปิธิพนอะไรต่างๆในทันละแต่ทันละการมาราคะไม่ได้ทันละปฏิฆาอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านมีครอบครัวได้แล้วมีลูกดาวได้ท่านจึงโศกได้พระโสดบันจึงโศก นางวิสาขาหลานตายไปก็ร้องไห้มา่ฟพระพุทธเจ้าอนาตบินติกะเศรษฐีนางจุลสุพัทธาธิดาสาวซึ่งเป็นพระสกตกคามีบุคคลได้ตายไปในเยาวัยแล้วก่อนจะตายนเรียกนาตบินติกะเศรษฐีว่าน้องชายทานไปเข้าใจว่าลูกสาวนี่ตายเพราะความหลง เราให้เสียใจมากราบทถูนพระพุทธเจ้าพระเจ้ากระสั่งเล่าว่าเขาเรียกไปตามลำดับมรรคผลที่บรรลุก็แสดงอย่างหนึ่งนะว่าพระสกทาคามีรู้สภาพจิตของพระโสดาบันนะว่าบรรลุมรรคผลในระดับใดดังนั้นระดับใดที่เรายัางยังมีกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะอยู่นะ ตรงนี้ที่จริงมันเบาๆอ่ะเขาเรียกว่าการมราคากับปฏิฆะท่านเจนว่าความไม่พอใจมันก็เป็นเหตุให้เกิดความโศกได้เช่นเราไม่พอใจในายกนายกรมีความเจริญก้าวหน้าล้ำหน้าเราไปเราก็เสียใจเราก็โศกได้หรือว่าเรามีการมราคาอยู่ในคนคนใดคนหนึ่งแล้วคนนั้นเกิดตายไปหรือว่าประสบอันตรายเราก็โศกได้เพราะนคนที่เลยความโศกไปจึงมีเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระอรหรันต์ เออไม่ใช่ตั้งแต่พระนาคามีนะพระพระนาคามีานรากกรรมราคะปฏิฆะได้แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยังมีรู ป, ปราคะคือพอใจติดใจในรูปประชานะรูปประชานอยู่แต่ก็ไม่มีโศกนะไม่เคยปรากฏว่าพระนาคามีแสดงความเศร้าโศกเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นผลทางใจเป็นจิตมันส ง, งบจากกิเลสอะรู ป, ป ร, ราคะรู ป, ป ร, ราคะที่จริงก็เป็นรูปรนะรประชานรูปประชาน เพราะในกิเลสเป็นเป็นตัวกระตุนน้นให้เกิดอยิจดีินร้ายเนี่ยมันมันต้องผ่านการเป็นนิวรณ์มาก่อนทีนี้ท่านก็ดับไปหมดแล้ว อ, อาการที่จะเศร้าโศกจึงไม่เป็นอย่างที่ปสุรดาบันเป็นเพราะปสุรดาบันเนี่ยมีความชัดเจนในสังโยชน์สองข้อเนี่ยท่านอย่างละไม่ได้แต่พระราฆัมีละได้ต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี